เมือวันซืนนะได้ไปแสดงธรรมที่บริษัทแห่งหนึ่งนะแถวสุตรปราการก็มีพนักงานมาฟังธรรมมา200คนได้นะส่วนใหญ่ก็ยังหนุ่มยังสาวกันอยู่ก็ถามผู้ฟังว่าใครบ้างที่อยากมีความสุขนะก็ยกมือกัน ทั้งห้องเลยแต่พอถามว่าใครบ้างที่ตอนนี้รู้สึกมีความสุขก็ยกมือสักแค่หนึ่งในสามหรือไม่ถึ ง, นงในสามมัง้งก็เลยถามเขาว่าเนี่ยตอนนี้พวกเราจริงๆเนี่ยมีความสุขอยู่แล้วนะแต่ว่ามองไม่เห็นต่างหาก เขาก็งงๆนะเรามีความสุขได้อย่างไรคนที่ไม่ได้ยกมือก็บอกเขาว่าเนี่ยการที่เขาไม่เจ็บไม่ป่วยนะเขารู้หรือเปล่าว่ามันเป็นสุขมันเป็นโชคนะถ้าลองได้เจ็บลองได้ป่วยนะหรือถึงขั้นล้มหมอนนอนเสือเนี่ยหรือว่าไม่ถึงกับล้มหมอ น, นอนเสือเอาแค่ปวดฟันก็พอนะก็จะรู้เลยว่าไอ้ตอนที่ เราไม่เจ็บไม่ป่วยเนี่ยมันเป็นสุขอย่างยิ่งนะจริงๆริงอย่าว่าแต่เจ็บป่วยเลยนะเอาแค่ว่าปวดท้องเนะี่ยปวดท้องอยากจะไปถ่ายเนี่ยไอตอนที่เราไม่ไม่ปวดท้องนะไม่ปวดท้องหนักนี้ไม่รู้สึกว่าเป็นความสุขนะแต่พอเราปวดท้องหนักเนี่ยและยิ่งไม่มีที่ที่จะถ่ายทุกด้วยนี่โอ้มันทรมาร์ดเหลือเกิน แต่พอเราได้ไปถ่ายทุกในห้องน้ำเนี่ยความสุขก็เกิดขึ้นทันทีเราถึงเรียกว่าห้องน้ำว่าเป็นห้องสุ ข, ขาห้องสุขกาคือห้องที่เรามีความสุขเพราะว่าร่างกายเรากลับมาเป็นปกติไม่ปวดท้องให้เราให้เขพิจารณาดีๆนะก็บอกเขานะว่าตอนนี้เนี่ยเรายังมีตามองเห็นยังมีหูได้ยิน เคยตระหนักหรือเปล่าว่านั่นเป็นความสุขนะลองถ้าเกิดเราตาบอดหูหนวกนะหรือว่าแก้งลองเป็นคนตาบอดอยู่สักวันหนึ่งนะเราจะรู้เลยว่าการที่เรายังมีตามองเห็นยังมีหูได้ยินหรื อ, อยังพูดได้มันเป็นเป็นความสุขนะที่ควรจะรับรู้นะแล้วก็รู้ว่าเนี่ยมันเป็นโชคอย่างหนึ่ง เวลาเราไปไหนมาไหนได้เนี่ยเราไม่ค่อยได้ตระหนักนะว่ามันเป็นความสุขนะลองเราได้เกิดพิการนะแขนขาดขาขา ด, ขา ด, ขาดหรือว่าถึงแม้ไม่ไม่ขาดแต่ว่ามันเป็นอมัมพฤกษ์อัมาพาตนะไปไหนไม่ได้เนี่ยจะรู้สึกลว่ามันเป็นความทรมานมากแล้วก็จะรู้สึกเลยว่าการที่เราเดินเท้นไปไหนมาไหนได้นี่มันเป็นความสุขอย่างหนึ่ง อยากจะไปที่ไหนก็ไปได้ตามใจปรารถนามีคนแก่หลายคนนะที่เขายุประมาณ90หรือว่าเป็นร้อเนี่ยเดินก็เดินไม่ค่อยได้ต้องจะไปไหนก็ต้องนั่งรถเข็นแต่เขาก็ยังพยายามเดินนะพยายามที่จะลุกขึ้นเดินเช่นเดินไปห้องน้ําทั้งที่พยาบาลก็ไม่อยากให้เขาทําอย่างนั้นอยากจะประคอง เขาก็ยังไม่ให้คนประคองเลยเขาอยากจะเดินได้ด้วยตัวเองเพื่อไปห้องน้ําแค่นั้นแหละแค่สองสเมตรนะหรือว่าสองสาวาเดินได้แค่นั้นเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นความภาคภูมิใจถึงแม้ว่าจะเดินลําบากทําไมเขาถึงสูดอย่างนั้นก็เพราะว่ามันเป็นอิสระในเวลาเราเดินได้เราไม่คยรู้สึกนะว่าการที่เดินได้นี่มันเป็นโชคเป็นความสุข นะพอแก่ชาราหรือเจ็บป่วยจะรู้เลยว่ามันการที่เดินได้สักนิดสักหน่อยก็ยังดีนะมันเป็นอิสระนะที่อยากจะรั ก, รกษาสงวนเอาไว้ก็ให้ค่อพิจารณาดูนะไปเรื่อยๆนะว่าเนี่ยตอนนี้เรากินอิ่มนอนอุ่นนะมีมีบ้านคุ้มหัวแม้ว่าจะเป็นบ้านพักหรือบ้านเช่ามีคนอีกมากมายที่หิว มีคนอีกมากมายที่พลัดทินาคยที่อยู่อย่างตอนนี้ในแอฟริกาโอยตันออกกลางนี่มีผู้พยพนี่เป็นเป็นล้านๆถ้าลองได้เป็นคน อ, อยู่แบบเสื่อพื้นหมอนใบหรือไม่มีที่อยู่ที่กินนะจะรู้สึกนะเคยมีบางคนนะเขาลองนะลองไปเป็นคนไร้บ้านกลางคืนนี่ก็ต้องหาที่นอนเอาตาม สถาน์รถไฟบ้างตามป้ายรถเม์บ้างยุงก็กวนะนอนไม่หลับเลยทั้งคืนเพียงแค่เจอประสบการณ์อย่างนั้นแค่คืนเดียวนี้ก็รู้สึกเลย ว, ว่าโอ้เรานี่การที่เรามีบ้านนะมีบ้านมีที่หลับนอนอันนี้มันเป็นสุขอย่างยิ่งแล้วนะแต่ตมาเคยนะตอนประมาณสัสก3 0ปีที่แลนี่ไปประเทศยุโรปนะ ไปหาเพื่อนคนหนึ่งแถวเนเธอร์แลนด์เผอไม่ได้แจ้งเขาไว้พอไปถึงเขาไม่อยู่ก็เลยต้องกลับจากเนเธอร์แลนด์ก็ต้องกลับปารีสแต่ว่าพอไปถึงอัมสเตอร์ดัมเมืองหลวงฮอลแลนด์นี่มันก็ค่ำแล้วแล้วมันไม่มีรถไฟต่อไปปารีสก็แสดงว่าก็แปลว่าคืนนั้นเนี่ยไม่มีที่นอน โรงแรมมก็แพงนะก็ต้องหาที่นอนเอาแถวสถานีรถไฟหนาวก็หนาวไม่เป็นเดือนม ก, กราไปนอนตรงห้องพักคนเดินทางพอนอนไปถึงสักสีห้าทุ่มพาลงก็มาไล่ให้ออกไปนะออกไปแล้วไปนอนไหนอ่ะนะเที่ยงคืนแล้วนะก็ต้องไปหาที่นอนหาที่ซุกก็ไปเอาไอ เอาหลังตู้นี่แหละหลังตู้ที่เป็นล็อกเกอร์อะนะล็อกเกอรก์เป็นที่เก็บสัมผัสล่างคนเดินทางต้องปีนขึ้นไปเป็นนอนบนล็อกเกอร์ฝุ่นก็เพียบนะหนาวก็หนาวมันก็ประมาณเกือบศูนย์องศาแล้วมั้งโอ้ตอนนั้นเลยรู้สึกเลยนะักการที่เรานะมีที่พักเนี่ยมันเป็นโชคอย่างยิ่งนะมันเป็นความสุขอย่างยิ่งพอตอนเชาน้านี่นะก็รีบกลับปารีสเลย แล้วก็รู้สึกว่าการที่เรามีที่นอนที่พักแม้จะเป็นห้องเช่าเนี่ยนะมันเป็นสุขอย่างยิ่งแล้วที่จริงแม้กระทั่งนะการที่เราได้มีงารทำเนี่ยมันก็เป็นโชคอย่างหนึ่งนะเพราะว่าคนที่ตกงานนี่ทุกใจมากนะรู้สึกไม่มีคุณค่ายิ่งถ้าตกงานานานๆเป็นปีนี่มันรู้สึกไม่มีความหมายเลยชีวิตนี้ก็พูดลำดับไปงี้ไปเรื่อยๆนะ เสร็จ แ, แล้วก็ถามใหม่ว่าเนี่ยตอนนี้ใครคิดว่ า, ามีความสุขบ้างคนก็ยกมือกันเกือบทั้งห้องเลยแต่เราก็ถามตอนว่าใครตอนนี้มีความทุกข์บ้างก็มีนะมียกมือประมาณสองสมคนมีหนุ่มคนหนึ่งก็บอกว่าเขามีความทุกข์ถามก็ทุกเรื่องอะไรก็พูดั้นๆนงเงินเดือนน้อ ย, เ, ยเงินเดือนน้อยนะทุกข์ก็เลยบอกเขาว่าเนี่ย เงินเดือนน้อยเนี่ยก็เพราะว่าเรามีความต้องการมากเมื่อเรามีความต้องการมากเนี่ยไอ้เงินมันไม่เงินที่เราได้มามันก็ไม่พอความต้องการมันก็เลยกลายเป็นเงินเดือนน้อยแต่ถ้าหากว่าเราลดความต้องการลงมีรายจ่ายน้อยลงเงินเดือนที่น้อยก็กลายเป็นเงินเงินเดือนมากหลายคนเนี่ยนะรู้สึกว่าเงินเดือนน้อยแล้วคิดว่าทําไงจะให้มีเงินเดือนมากมากนะ ก็อาจจะเรียกร้องในจ้างหรือว่ารอให้เจ้านายขึ้นค่าแรงแต่ที่จริงเนี่ยไอ้เงินเดือนน้อยมันกลายเป็นเงินเดือนมากได้ทันทีเลยนะไม่ต้องรอให้เจ้านายมาขึ้นเงินเดือนให้เราเพียงแต่ลดความต้องการของเราเท่านั้นแหละถ้าเรามีความต้องการมากรายจ่ายมากเงินเดือนก็น้อยแต่ถ้าเรามีความต้องการน้อยรายจ่ายน้อยเงินเดือนก็กลายเป็นมากไปเพราะมันมีเงินเหลือ เะก็เลยบอกาว่าเงินเดือนน้อยเงินเดือนมากเนี่ยมันอยู่ที่เรานะอยู่ที่ใจเรานะี่คนเนี่ยไปคิดว่าต้องไปไปเรียกร้องจากคนนั้นคนนี้นะมันถึงจะมีเงินเดือนมากนะอันนั้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ถ้าเกิดว่าต้องการทำให้เงินเดือนน้อยกลายเป็นเงินเดือนมากทําได้ทันทีเดี๋ยวนี้เลยทําที่ไหนทําที่ใจเราก็คือว่าความต้องการของเราเนี่ยนะลดความต้องการลง ลดความต้องการลงมันก็จะมีเงินเหลือมากขึ้นนะไอ้ที่เคยติดลบมันก็กลายเป็นบวกขึ้นมาคนไม่ค่อยคิดในแง่ที่เท่าไหร่นะคิดแต่ว่าเงินเดือนมากต้องมีคนมาเพิ่มให้นะแต่ที่จริงเงินเท่าเดิมเนี่ยแต่ว่ามันกลายเป็นเงินเดือนมากก็ได้ก็ยกตัวอย่างนะหลวงพ่อชายหลวงพ่อชายท่านเคยเอากิ่งไม้มา ให้ลูกศิษย์ดูนะแล้วท่านก็บอกว่าเนี่ยไม้เนี่ยกิ่งนี้เนี่ยถ้าเราอยากได้ไม้ที่มันยาวกว่านี้ไอ้ไม้กิ่งที่ท่านถือก็เป็นสั้นแต่ถ้าต้องการไม้กิ่งที่สั้นกว่านี้ไม้ที่ท่านถืออยู่ในมือก็ ก, กลายเป็นยาวแล้วท่านก็สรุปว่าเนี่ยไม้จะสั้นหรือ ย, ยาวอยู่ที่ความอยากของเรา ลองพิจารณาดูดีๆนะไม้จะสั้นหรือยาวอยู่ที่ความอยากของเราถ้าเราอยากได้ไม้ยาวกิ่งไม้ที่ถือก็สั้นถ้าเราอยากได้ไม้สั้นกิ่งไม้ที่ถือก็ยาวก็เหมือนกันนะ เ, เงินเดือนเงิเนเดือนมากหรือน้อยนะมันมีอยู่ที่จานวนเงินอยู่ที่ใจเราสุขหรือทุกข์ก็เหมือนกันอ ย, กอยู่ที่ใจเราหรือว่าการที่เรามองว่าใคร ความดีหรือความชั่วของคนที่อยู่รอบตัวเรามันก็อยู่ที่ว่าเรามองอย่างไรนะถ้าเรามีมาตรฐานความดีสูงและคนที่เขาอยู่รอบตัวเรานะเขาไม่ถึงเกณฑ์นั้นเราก็ว่าเขาเป็นคนไม่ดีนะแต่ถ้าเกิดมาตรฐานความดีของเราเนี่ยมันต่ำนะไอ้คนคนนั้นเนี่ยก็กลายเป็นคนดีขึ้นมาได้ถ้าเกิดว่าเขาดีเกินกว่ามาตรฐานของเรา หรือว่าถ้าเรามองเขาดียังไงแต่ถ้าเรามองเห็นแต่ข้อไม่ดีของเขาเนะีเช่นเขาเป็นคนใจร้อนเนะขาเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความละเอียดละออกินข้าวก็ไม่ล้างจานกินน้ำก็ไม่ล้างแก้วเราเห็นแต่ข้อไม่ดีของเขาเราก็ว่าเขาเป็นคนไม่ดีไอ้ส่วนคนไม่ดีเนี่ยนะแต่ว่าเขาทำดีกับเรานะเขาเอื้อเฟื้อเรา เขามีอะไรเขาก็มาแบ่งเอาเงินแบ่งให้เราสนะับนุนจุนเจือเราแล้วก็เขาเป็นคนดีนะทางที่เขาจะเป็นคนเอาเปรียบคดโกงนะหรือว่าอ่าเป็นคนที่อ่าชอบรังแกผู้อื่นหรือว่าเป็นคนเจ้าชู้คนดีถ้าเราเห็นแต่แง่ไม่ดีของเขาเขากลายเป็นคนไม่ดีในสายตาของเราไอ้ส่วนคนดี ไอ้สุวคนไม่ดีถ้าเรามองเห็นแต่ด้านดีของเขานะเนีขากลายเป็นคนดีในสายตาของเราได้อันดีหรือชั่วเนี่ยก็อยู่ที่อยู่ที่นะมุมมองของเราด้วยนะีให้ลองพิจารณาดูดีๆนะเราจะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเรามองใครเนี่ยเราไม่ได้มองด้วยตาอย่างเดียวมั น, มนก็มันมีแว่นนะที่เราสวมใส่ด้วยถ้าเราใส่แว่น ใส่แว่นดําแม้เป็นกลางวันมันก็ดูมืดแต่ถ้าเราเปลี่ยนแว่นนั้นมันเป็นแว่นที่ใสมันก็สว่างนะคนเราเนี่ยเวลามองใครเนี่ยเราไม่ได้มองด้วยตานะเวลาเราได้ยินเราไม่ได้ยินด้วยหูเท่านั้นนะมั น, มนก็ว่าเรามีแว่นนะที่สวมใส่แต่มันเป็นแว่นที่ล่องหนนะจะรวมันเป็นตาในก็ได้นะมันมีตาในอยู่ ตาในตัวนี้มันสำคัญกว่าตาเนื้อด้วยซ้ำนะเพราะว่าอย่างที่บอกนะถึงแม้ว่าตาเราจะดีแต่ถ้าเราใส่แว่นสีดํามันก็กลายเป็นดาได้มันก็กลายเป็นมืดนะทั้งที่เป็นเวลากลางวันคนไม่ค่อยรู้นะว่าอไอตาในเนี่ยนะอันนี้มันสำคัญกว่าตานอกหรือตาเนื้อด้วยซ้ำตาในตรงนี้ก็คือมุมมองนั่นแหละนะจะเรียกว่าทิศทก็ได้ ทิฏฐิความเห็นถ้าเราตาในของเราเนี่ยมันได้ฝึกเอาไว้นะฝึกเอาไว้นะให้เป็นตาทีเา่เห็นอะไรเป็นธรรมะไปหมดนะถ้าเรามีตาในที่ที่ดีที่ฝึกมาดีนะมองแล้วก็เป็นธรรมะไปหมดนะเห็นใบไม้ตกอก็เห็นความเป็นอนิจจังของสังขารเห็นผึ้ง กำลังบินตอมดอกไมนะ้เราก็เห็นธรรมะนะจากพึ่งว่านี่เขากำลังสอนธรรมะเราว่าพึ่งเนี่ยมันคอยดูน้ําหวานจากดอกไม้นะแต่ว่ามันก็ไม่เคยทำให้ดอกไม้นี่เสียสีหรือบอบช้ำเลยเห็นดอกไม้นะเราก็เห็นธรรมะได้จากดอกไม้นะ ว่าเขาเจอแดดนะแรงยังไงดอกก็ยังสดนะเคยสังเกตไม่ดอกไม้ตัวใบไม้เนี่ยโดนแดดนะเผาทั้งวันตั้งแต่ 8- ปดโมงจนถึง่ห้โมงเย็นก็ยังเขียวดอกไม้ก็ยังสดเหมือนกับว่าไม่ว่าเขาจะเจอความทุกข์อย่างไรนะไม่ว่าเขาจะเจออุปสรรคอย่างไรนะเขาก็ยังใส ย, ยังสดได้แล้วใจเราเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นได้หรือเปล่านะก็คือว่าแม้จะเจอ สิ่งที่มากระทบนะเจออะไรที่มาแผดเผาแต่ว่าใจเราก็ยังแจ่มใสได้คนที่มีธรรมะเนี่ยนะเขาจะมีตาในที่ทำให้เขามองเห็นอะไรเนี่ยเป็นธรรมะไปได้ทั้งหมดนะแม้แต่เวลาผู้หญิงนะผู้หญิงร้องเพลงนะผู้หญิงร้องเพลงนะพระรูปหนึ่งในพระตุกาลเนี่ยพระติสานี่ท่านได้ฟังเพียงร้องเพลง ก็เป็นเรื่องของนะความผิดหวังในชีวิตนะความไม่เที่ยงของชีวิตเขาฟังท่านฟังแล้วก็ยังรากว่าบรรลุ ธ, ธรรมได้จากเสียงร้องของนางทาสีนะไม่ใช่ว่าฟังแล้วเนี่ยนะจะเกิดความเครือบเคลิ่แต่ว่าฟังแล้วเนี่ยเห็นธรรมะหรืออย่างพระลกุนตะกะปัทิยะเนี่ยเห็นนางคณิกายิ้มให้นะ นางขณิกาเนี่มากับลูกค้านะอยู่บนรถม้าแล่นผ่านพระลกุลตะกะพัทิยะชื่อจริงๆท่างคือท่านพัทิยะนั่นแหละแต่ว่าพัทถิยะเนี่ยในสายวการมีหลายรูป ก, ก็เลยมีชื่อเรียกให้จําพาะน่อก็เติมลกุลตะกะเข้าไปท่านเป็นพระที่รูปร่างเตี้ยๆเล็กๆน่ารักนางคณิกาเห็นก็ยิ้ม ท่านก็เห็นฟันของนางคณิกาเห็นฟันขาวเลยนะเวลาเห็นผู้หญิงยิ้มเนี่ยนะผู้ชายหลายคนก็ใจกระเพื่อมนะเกิดราคะหรือเกิดปฏิพัทธ์ความผูกพันขึ้นมาแต่ท่านมองแล้วเนี่ยนะบอกกว่าเห็นเป็นนิมิตเลยนะจดจําเป็นนิมิตเอาไว้แล้วก็ใช้นิมิตนี่แหละนะในการภาวนาจนเกิดฌาน จะใช้ชาเนี่ยพิจารณาสังขารพิจารณาจนเห็นความเป็นไตรลักษณ์อ น, นิจจังทุกขังอนัตตาท่านกันบพุรุธรมเป็นพระนาคามีบนถนนเลยอันนี้เลยว่าเวลามองสิ่งต่างเนี่ยถ้าไม่ได้มองด้วยตาเนื้ออย่างเดียวนะท่านมีตาในนะที่ทำให้มองเห็นสิ่งต่างเนี่ยมันกลายเป็นธรรมะมันแสดงสัจธรรมให้เห็นถึงความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ นะหรือว่าแสดงให้เห็นถึงจริยธรรมข้อควรปฏิบัตินะที่พึงนะยึดถือนะอย่างเช่นที่เมื่อกี้พูดเนี่ยนะพึ่งเนี่ยมันพึ่งพาอาศัยดอกไม้แต่ว่ามันก็ไม่เคยทําให้ดอกไม้บอบช้าหรือว่าเสียสีอันนี้พระเจ้าก็ตัดว่าเนี่ยพระเราก็เหมือนกันนะซึ่งอันนี้ก็คงลวถึงแม่ชีลนักปฏิบัติธรรมด้วยคือว่าเราต้องพึ่งพาญาติโยม เราก็ไม่ทําให้ยอดเยิมเดือดร้อนหรือมองให้กว้างคือว่าเราต้องพึ่งพาธรรมชาติเราอยู่ได้เพราะธรรมชาติเราก็ต้องไม่ทําให้ธรรมชาติเนี่ยมันเสียหายหรือถูกทําลายนะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยนะเรากลับทำให้ธรรมชาติเนี่ย เ, เสื่อนะนะรร ม, มโทรมลงไปทุกทีทุกทีทั้งที่เราอยู่ไม่ได้ถ้าขาดธรรมชาติแต่ว่าแทนที่จะสํานึกในบุคคลของธรรมชาติก็ เอาเปรียบธรรมชาตินะจกนกระทั่งสุดโซมไนะม่ว่าจะเป็นน้ำอากาศภูเขาป่าไม้แหลทาดเสียหายยับเยินนะอันนี้เรากาไม่มีจริยธรรมนะแต่ว่าถ้าเกิดนะเรามีตาในที่ดีนะมองเห็นพึ่งนะมันก็สอนทำให้ให้ตั้งมันอยู่ในจริยธรรมจริยธรรมก็คือความดีที่ควรบำเพ็ญ เช่นการอยู่ง่ายการไม่เอาเปรียบมีอวิหิงสาคือการไม่เบียดเบียนะมีเมตตากรุณาอันนี้เราจะยธรรมส่วนการเห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตานี่เราเห็นสัจธรรมนะเห็นสัจธรรมธรรมะขอเจา้าเนี่ยแบ่งเป็นสองนะก็คือจริยธรรมกับสัจธรรมจริยธรรมคือความดีที่ควรบําเพ็ญนะสัจธรรมก็คือความจริงที่ควรเห็นควรเข้าใจ ถ้าเรามีตาในนะที่มาช่วยนะเสริมตาเนื้อนะเรามองอะไรเราได้ยินอะไรมันก็เห็นเป็นเห็นเป็นธรรมหมดนะทั้งจริยธรรมและสัจธรรมทั้งคติหรือคุณธรรมที่ควรบําเพ็ญแล้วก็สัจธรรมที่ควรที่ควรตระหนักอันนี้ตาในมีอันนึงนะตาในนี่เมื่อกี้ตาในพูดถึงเอาไว้ช่วยเอาไว้ใช้มองสิ่งภายนอก มองสิ่งภายนอกแล้วก็เห็นเป็นธรรมะมันยมีตาในอันนึงนะตาไหนที่เอาไว้ดูนะตามดูรู้ทันความรู้สึกในคิดในใจเรานะไอ้ตาในตัวนี้ก็สำคัญนะอันนี้เราเรียกว่าสตินะตาในตัวที่ใช้มองสิ่งภายนอกเนี่ยเราเรียกว่าปัญญาหรือว่าโยนิโสมนัสิกการนะเอาไว้มองข้างนอกมองนอกแล้วก็ถ้ามองเป็นก็เห็นธรรม ส่วนตาในนี่เอาไว้นะเพื่อให้เรารู้เท่าทันนะความสูงนึกคิดที่เกิดขึ้นใน ใ, นใจรวมทั้งเอามาใช้นะในการมองกายด้วยนะก็คือตามดูรู้ทันกายให้เจริสติปัฏฐานเนี่ยการเจริญสติปัฏฐานสีนี่นะสติที่ว่านี่นะก็คือตายในที่เราต้องฝึกนะว่าถ้าเราฝึกเอาไว้ดีเนี่ยเวลาเรานะเวลากายเคลื่อนไหวนะ ใจก็รับรู้นะว่ากายเคลื่อนไหวเวลาเราเดินเนี่ยนะถ้าเราไม่มีสตินะก็ไม่รู้ตัวว่ากาลังเดินนะมันไม่มีความสึกเลยด้วยซ้ำว่ากาลังเดินเพราะใจลอยนะใจลอยยิ่งยิ่งกลังคุ้นคิดเรื่องอะไรสักอย่างเนี่ยมันไม่รู้ตัวเลยนะว่ากาลังเดินอยู่บางทีเดินหกล้มนะยังไม่รู้ตัวหกล้มนะมันมี <c oughs> นักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งนะที่ประเทศเยอรมัน นะเมืองก็ติงเกนนี่เป็นเมืองที่มีพวกนักปราดพวกสติเฟื่องนี่เยอะมากนะเมื่อประมาณสักเกือบร้อยปีที่แล้วมีคนนึงเขากาลังคิดเรื่องทฤษฎีนะสมการคณิตศาสตร์อยู่เดินบนถนนก็คิดไปใจลอยไปบอกว่าเดินสะดุดหกล้มนะเขาเป็นคนแก่ก็ไม่ชิงแก่แนละ้วก็วัยกลางคนละคนที่อยู่บนถนนพอเห็นเขาล้มเนี่ยก็รีบวิ่งเข้าไปช่วยประคองเขาขึ้นมา กาที่เขาจะขอบคุณเขาบอกว่าอย่ามายุ่งกับฉันฉันกําลังกํากลังบุ่นอยู่นะฉันยังไม่ว่างอย่ามายุ่งกับฉันเขาไม่รู้ตัวใจสามาเขาเนี่ยหกล้มไปแล้วหรือเขากำลังนอนกองกับพื้นนะแต่เขารู้ว่าเนี่ยคนมามากุมลุมเขาเขากล็ลาคาบเพราะกาลังคิดนะกาลังคิดได้ถึงจุดพอดีนะอันนี้เราไม่รู้ตัวนะเพราะว่าใจเนี่ยมันอยู่อยู่กับความคิดมาก แล้วก็เป็นความคิดที่มีสมาธิมากที่สัมนะแล้วก็บอกว่าไอ้ตรงตรงนั้นเองอะที่เขาคิ ด, ค, ดคิดทฤษฎีหรือสมการนะคณิตศาสตร์ออกมาได้อันนี้แล้วว่าคนเราเป็นอย่างเงี้นะก็คือว่าถ้าเราไม่มีสตินะแม้กายเคลื่อนไหวนะก็ไม่รับรู้นะหรือว่าที่หลวงพ่อหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเขียนใช้ว่าไม่รู้สึกยกมือเนี่ยก็ไม่รู้สึกนะเพราะใจลอยเดินก็ไม่รู้สึกนะ เพราะว่าใจลอยหรือว่ากำลังโมโหกำลังถูกอารมณ์ต่างๆครอบงาแต่ใจนายเนี่ยตาตานายเนี่ยมันไม่เพียงแต่ทำให้เรารู้ตัวเวลากายเคลื่อนไหวแต่เวลาใจเนี่ยมันคิดนึกอะไรไปเนี่ยก็จะรู้รู้ทันนะไอ้ความคิดและความรู้สึกเนี่ยหรืออารมณ์เนี่ยนะถ้ามันเกิดขึ้นในใจแล้ ว, ลวเนี่ย แล้วเราไม่รู้ทันนะมันก็พาเรานะเข้ารถข้อพงได้เหมือนกันนะอย่างนะถ้าเราคิดถึงคนที่เราเกลียดนะคิดถึงคนที่เขารังแกเรานะมันก็จะเกิดความเครียดแค้นเกิดความโกรธขึ้นมานะแล้วถ้าเกิดว่าเขาอยู่ตรงนั้นหรือเขาอยู่ใกล้ๆเนี่ยก็อาจจะเผลอนะด่าว่าเขา ความโกรธก็เหมือนกันนะถ้ามันเกิดขึ้นกับใครนะมันก็ทําให้ลืมตัวความเศร้าเกิด ข, ขึ้นกับใครนะก็ทําให้จิตใจหดหูเศร้าหมองนะหดหูหม่นหมองนะไออารมณ์และความคิดที่มันเกิดขึ้นในใจเราเนี่ยถ้าเรารู้ทันนะมันก็ทําอะไรไม่ไดนะ้มันก็สักแต่ว่าเกิดขึ้นแล้วก็เลือนหายไปแต่ถ้าเราไม่รู้ทันมัน เราก็จะเป็นท่าของอารมณ์เราก็จะเป็นท่าของความคิดความคิดเป็นสิ่งที่เราปรุงขึ้นมานะถ้าเราใช้มันเป็นมันมีประโยชน์มากแต่ถ้าเกิดว่าปรุงมันขึ้นมาแล้วไม่รู้ทันหรือว่าเผลอปรุงขึ้นมานะมันก็พาเราทำในสิ่งที่เราต้องเสียใจนะบางทีมันเห็นของบางอย่างอยากได้ ยิ่งถ้าตอนนั้นกาลังร้อนเงินนะไม่มีเงินเป็นค่ารักษาพยาบาลพ่อแม่หรือว่ามไม่มีเงินไปส่งลูกไปโรงเรียนกาลังร้อนเงินนะเห็นเงินหรือว่าเห็นโทรศัพท์หรือว่าเห็นสมบัติของใครสักคนเนี่ยอยู่ใกล้ๆความอยาก ม, มันเกิดขึ้นและถ้าไม่รู้ตัวเนี่ยมันก็สั่งให้เราฉวยนะหยิบของนั้น นะจะเป็นจะเป็นเงินก็ตามจะเป็นสมบัติของใครก็ตามเนี่ยเสร็จแล้วเป็นยังไงถูกจับได้นะก็ติดคุกติดตรางนะหรือว่าถึงจะไม่มีใครรู้นะแต่ว่าก็เดือดื้อร้อนใจจะไปคืนก็ไม่กล้านะกลัวเขาจับได้คนเราเนี่ยเผลอทําอะไรไปเนี่ยเพราะความคิดมันจูงไปเพราะอารมณ์มันพาไปนี่ก็เยอะนะใเราต้องมีตาในที่รู้ทันนะ รู้ทันให้ความรู้สึกนึกคิดหรือว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นนะมันจะทำให้เราเนี่ยนะตั้งมั่นอยู่ในธรรมนะหรือว่าทำคุณงามความดีได้แต่มันไม่ใช่แค่นั้นนะมันไม่ใช่แค่เพียงทําให้เราเนี่ยสามารถรักษาศีลแล้วก็ไม่ทําสิ่งที่ทําให้เดือดเนื้อร้อนใจหรือว่าไปเบียดเบียนใครให้เกิดความเดือดร้อนขึ้นมาไอตานเนี่ยนะมันยังช่วยทาให้เราได้เห็นนะ เห็นความจริงของกายและใจได้ด้วยนะตาในคือสติเนี่ยมันทำให้เราเห็นความจริงของกายและใจนะถ้าเรามีสติดูกายมีสติดูใจนะมันก็จะเห็นความจริงนะที่กายและใจมาแสดงออกมานะเห็นอย่างเบื้องต้นก็คือเห็นว่านะทั้งเนงทั้งตัวเราเนี่ยนะมันก็มีแต่กายกับใจนะมันไม่มีอะไรมากกว่านั้นนะไม่มีแม้กระทั่ง ตัวกูหรือการไปยึดว่าเป็นของกนะูแต่คนเราเนี่ยมักจะไปสำคัญบรรหมายว่าเนี่ยกายนี่เป็นกูนะของกูหรือว่ามีตัวกูนะมันแทรกอยู่ในกายกับใจเวลาทำอะไรนะเวลาเดินก็ไปสำคัญบรรหมายว่ากูเดินฉันเดินนะเวลาโกรธก็ไปสำคัญบรรหมายว่าฉันโกรธนะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันก็มีแต่รูป ก, กับนาม มันมีแต่กายที่เดินมันมีแต่นามที่มันเกิดความกลัวขึ้นมามันไม่มีตัวเราไม่มีตัวกูเนี่ยอยู่เลยนะไอความจริงนะที่ว่ามันมีแต่กายกับใจรูป ก, กับนามเนี่ยนะมันเป็นความจริงพื้นฐานที่คนส่วนใหญ่เนี่ยถ้าไม่เอาตาในมาดูนะมันก็จะเกิดความหลงขึ้นมาว่านะมีกูมีกูตลอดเวลานะเวลาปวด แทนที่เห็นว่าเออความปวดมันเกิดขึ้นที่กายหรือว่ากายปวดก็ไปคิดว่าฉันปวดนะอันนี้มันไม่ใช่นะมันเป็นความหลงเรียกว่าพื้นฐานเลยทีเดียวเหตุถ้าเรามีสตินเนี่ยจะเห็นนะมันมีแต่อะไรอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นแค่กริยาหรือสภาวะที่เกิดขึ้นกับกายเป็นกริยาหรือภาวะที่เกิดขึ้นกับใจมันไม่มีตัวเราแล้วความจริงที่ลึกไปกว่า น, นั้นนะก็คือ ทั้งรูปและนามกายกระจายเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์นะมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะไม่สามารถจะยึดให้เที่ยงได้ไม่สามารถจะฝากความหวังความสุขจากมันได้นะแล้วก็ไม่สามารถที่จะยึดมาเป็นเราเป็นของเราได้อันนี้เป็นสัจธรรมนะที่กายและจใจรูป ก, กับนามสามารถจะแสดงให้เห็นแต่จะเห็นได้เราก็ต้องมีตาในนะคือสตินะเอา น, น่าพิจารณาดูดีนะ เรานะการปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยนะมันจะก้าวหน้าไม่ได้ถ้าถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถจะพัฒนาตาในขึ้นมาไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นตาไหนที่ใช้มองสิ่งต่างๆภายนอกนะจนกระทั่งเห็นเป็นสัจธรรมนะหรือว่าเห็นเป็นคติธรรมที่น้อมนําชีวิตเราแล้วก็ไม่สามารถจ ะ, จะเจริญก้าวหน้าเดือนกันถ้าเราไม่มีตาในที่ใช้ เามาดูกายและใจนะตาไหนที่ใช้มองนอกนะจนเห็นธรรมแล้วก็ตาไหนที่ใช้ดูกายและใจนะจนเห็นธรรมเนี่ยอันนี้มันเป็นนะเป็นสองตาหนที่สำคัญนะอันอันแรกเราก็เรียกว่าโยนิโสมนัมนสิการก็ได้เรียกปัญญาก็ได้นะอันที่สองเ ร, เรียกว่าสตินะอ่าเวลาเราปฏิบัติเนี่ยก็ต้องถามตัวเรานะว่าเออ ตาในของเราเนี่ยได้พัฒนาขึ้นไหมเรามีตาในเอาไว้เป็นที่พึ่งพาอาศัยหรือเปล่านะหรือว่าเอาแต่ทําบุญให้ทานรักษาศีลนะแต่ว่าไม่ได้พัฒนาตาในขึ้นมาทั้งโยนิสมนสิการนะเอาไว้ใช้มองนะมองธรรมะจากสรรพสิ่งนะที่เราเห็นทางตาทางหูหรือว่าทางจมูกได้ซ้ำนะส่วนกายและใจนะที่มัน อยู่กับเรามาตลอดเนี่ยนะมันก็สอนทําให้กับเราได้ตลอดเวลานะถ้าหากว่าเรามีสตินะเป็นตาในเอาไว้ใช้เอาไว้ใช้รักษาใจด้วยสติที่มันใช้รักษาใจด้วยนะไม่ให้ไม่ให้ทุกข์นะให้พบกับความสงบและขณะเดียวกันก็สามารถจะทําให้จิตนิสวงนะเพราะว่ามีปัญญาเห็นสัจธรรมความจริง เอาละคำเดียกเผอเท่า น, นี้นะรบระ